จะดูในปฏิสัมพิทาชอบบทหนึ่ง<ม>คือพูดถึงวิปัสนาให้ผลนําเกิดนะเน่ยสังขารูเปกข้ายานให้ผลนําเกิดห<ม>ือภาษาริบ ท, ท่านก็ที่บายถึงสังขารูเปกข้ายานที่คือให้ให้ปฏิสนธิในสุคติ น, น, น, นะนะระดับสังขารูเปกข้ายาน เอาสุกรรมแมะสุขติอย่างนี้นเลอมนุษย์เทวดานเนีย่ยโอ้ชาไอวิปัสสนาจะกระทมอะไรไม่ได้ชาเนยยันไม่พร้อยู่แล้วการได้กลัวโฟมจริงๆเลยกลัวเหงาเลยยังไงอ่ะเอ้กลัวเหงาเลยยังไงกันมาจะไปกายวิเวกที่นั่นสักหน่อยถ้าได้เออ อัตถกถาท่านบอกว่าเมื่อกรำนั้นให้สุขติปฏิสนธิเพราะกรรมสัมปยุทธ์ด้วยสังขารุปเปขายาน ม, มีกําลังกิเลสคือโลภะล่าวคือความยินดีเนี่ยเป็นปัจจัยแห่งสุขติปฏิสนธิเป็นกามาวจรในอนาคตเพราะกำเนี่ยมีกิเลสเป็นสหายย่อมให้วิบากเกิดแต่ที่ชอบคือบอกว่ากำรรนี่เป็นชนะกาปัจจัยส่วนกิเลสเป็น อุปธรรมพากะปัจจัยมันนะคือถ้าคือที่ให้เห็นว่ากิเลสมันนําเกิดยังไงถ้าบอกว่าเช่นอา้าวกิเลสนําเกิดในปฏิสนธิที่นําเกิดยังไงนั่นนะอวิชาเกิดรูปในสุคติพบจึงเกิดอย่า ง, งตันหาเกิดรูปในสุคติพบจึงเกิดเนี่ยหมายว่ามันเป็นไปได้ยังไงแต่เป็นไปได้ด้วยอํนนานาจของ อ, อุปธรรมอุปธรรมพากาปัจจัย กรรมเนี่ยเอาของพวกเราทั้งหลายานะที่มาเกิดเนี่ยเป็นผลของสุกุศลเจตนาเป็นผลของกุศลเจตนานําเกิดเอเลกิเลตมันให้ผลยังไงทั้งแต่ที่วัตถุมันเป็นผลของบุญอะ่ะอย่างเช่นตาหูจมูกเลนกายใจของเราทั้งหลายเนี่ยมันเป็นผลของบุญใช่ไหม เป็นผลของบุญทีนี้ผลของบุญบุญมันก็ให้ผลนะเอา คุณคนนี้ถามต้องยกมือก่อนนะครั้งที่แล้วผิดกติกากันย <c oughs> ังไง <c oughs> ต้องยกมือก่อนนะถ้ายกบ่อยๆอาจจะให้โคาตามมากขึ้น <c oughs> อันนี้ปกติจะต้องเป็นชนะกะไงสวรร่วนอาวิชา ตันหาเนี่ยคือปัจจยบันเนี่ยนคือเส้นทั้งหมดเนี่ยคือมนุษย์หรือเทวดาเนี่ยเอาตลอดจนถึงพรหมด้วยเอากรรมเนี่ยเป็นตัว นำเกิดโดยชนกะชนกะคือเป็นพ่อนะเป็นตัวที่ทำให้เกิดส่วนอวิชากับตันหาที่เป็นปัจจัยแห่งการเกิดเนี่ยโดยอุปธรรมอุปธรรมถะกะปัจจัยคือมันเข้าไปอุปธรรมไหมในะอย่างที่เคยครั้งก่อนเก่าๆ ก, ก็คือโดยเฉพาะตัวตันหาเนี่ยมันเป็นตัวเย็บอันนี้ไว้ปกติเนี่ยถ้าไม่มีเชือกร้อยเอาไว้นะ ระหว่างกรรมกับวิบากเนี่ยวิบากมันจะเกิดไม่ได้ถึงกรรมมีอยู่นะถ้าไม่มีตัวร้อยเนี่ยวิบากจะเกิดไม่ได้แต่ว่าวิบากที่มันเกิดได้เพราะอะไรเพราะตันหานี่เป็นตัวเย็บเอาไว้ท่านบอกว่าตันหานี้เหมือนกับตัวเย็บนะเหมือนกับเหมือนเส้นด้ายอะ่ะเหมือนเส้นด้ายที่มันเย็บกันให้ให้กรรมและผลของกรรมเนี่ยมันเกิดขึ้นนี่ไอ้ตันหาในาฐานะอุปธรรม ไม่รู้เผื่อจะใช้คำว่าอุปธรรมจะเข้าใจกว่าอุปนิสัยจริงก็อุปธรรมมันต้องมาในภาวะจิการถูรรกไหมไหนนะสักคำนี้ไว้ก่อนไหนเนี่ยสักคำนี้มันก็แปล ด, ดีหนึ่งการไปนึกถึงแต่อุปธรรมพักรกรรม ข้อมูลมีอยู่เท่านั้นจริงๆ น, นะขอบข้อมูลจำกัดก็ชใช่แล้วก็ก็ไม่ไม่ได้แปลกใจอะไรไนี่ใช่แต่ว่าพูดถึงผู้การก็มีอุปถัมภ์ถ้าให้อุปถัมภ์เมื่อไหร่ก็จะเรื่องกรรมอยู่เรื่องเดียวจริงแล้วอ่ะ อ, อ่ปจกับปอยเนี่ยนะคือปัจจัยกับปัจจยุ บ, บันเนี่ยมันมีอยู่สองสองเอ่อหลายในยด้วยกันอันหนึ่ง โดยอํานาจเนี่ยบางอย่างในชนะ อ, อำนาจเนี่ยภาษาบาลีเรียกว่าสติเนี่ยสติที่ปัจจัยเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นเหตุให้ปัจจยุบันเกิดเนี่ยบางอย่างเรียกว่าชนะกะคือเป็นปัจจัยโดยทําให้เกิดปัจจัยบางอย่างเป็น อ, อุปธรรมไม่ได้เป็นตัวทําให้เกิดแต่เป็นตัวไป อุปธรรมที่เรียกว่าอุปธ ร, รมภระกะสัติเนี่ยน ะ, ะมีอำนาจไปอุปธรรมอย่างเดียวเช่นอาหารเนี่ยนะกะพระลีการอาหารเป็นปัจจัยแก่โดยชนะกะสติแก่รูปที่มีอาหารเป็นสมุทฐานคือเป็นปัจจัยโดยอาหารเชรูปนะี เป็นเป็นชนะกะสติอาหารชรูปแต่เป็นอุปธรรมทกษะสติแก่รูปสามสมุทฐานที่เหลือเนี่ยนะนี่คือคำว่าอุปธรรมอ่อันนี้ก็เหมือนกันนะคำว่าอุปธรรมแปลว่าตัวมันเองมันไม่สามารถทาเกิดได้แต่มันเข้าไปอุ้มเนี่ยนะไอ้คำว่าอุปธรรมเนี่ยบางอย่างก็อย่างเฉพาะตรงนี้ก็ใช้กับอุปนิสัยปัจจัยเนี่ยนะที่ว่า กรรมเนี่ยมันได้กิเลสเป็นตัวอุปธรรมมันจึงเกิดขึ้นอันนี้หมายถึงอุปนิสัยปัจจัยแต่ถ้าอุปธรรมตรงนี้เนี่ยนะหมายถึงอาหารปัจจัยนั่นแหละนะแต่ถ้าอาหารปัจจัยถ้ามันทำให้อาหารชรูปเกิดเรียกว่าชนาะสัติถ้ามันทำให้อ่เป็นไปอุปธรรมสมุทฐานอื่นๆกรรมอาหารอุตุอะไรเนี่ยน ะ, ะกรรมอุตุจิตพวกนี้จะได้อุปธรรมพะกะติะอย่างนั้นอุตุนะ าาตัวกวกับกับตะพระลิงการาหานนะกะพระลีงการาหานอ่ะที่อยู่ในอุตุเนี่ยเป็นปัจจัยแกย่อาหารชรูปได้ น, นะคือคือต้องมองเป็นกราบก่อนนะไอตัวโอชาที่อยู่ในเนี่ยมันเป็นปัจจัยแกย่รูปกราบพืน้นนั่นไะ มันสามารถสมมติว่าไอโอชาอันนี้มาจากอะไรมาจากกรรมก็มีมาจากอุตุมาจากจิตหรือมาจากอาหารเนี่ยนะโอชาเ น, นี่ยมันจะเป็นปัจจัยแก่รูปอื่นๆด้วยโดยอุปธรร ม, รรมแต่ถ้ามันทำให้รูปใหม่เกิดขึ้นมาเลยนะอนุภาพของมันมันสามารถสร้างรูปขึ้นมาใหม่เลยอันนี้เรียกว่าชนะชนกะ แต่ถ้ามันแค่เข้าไปอุ้มโชว์เฉยๆอ่ะนะอันนั้นเป็นอุปมส่่วนทีการ้างนั้นไม่การไหนจะเหมือนกันหมดไม่เกี่ยงการทั้งนี้ก็มีโอกาสก็ว่าปัดวิชาปัฏฐานกันบ้างนะทีมสำคัญเพราะว่ามันอะไรฮะมันขี้หวานพิจารณาในความเที่ยงปัจจัยเข้าใจหริอยั ถ้าไม่รู้ถึงปัจจัยเนี่ยนะมันก็ไม่เที่ยงแบบอุเฉดอยู่แล้วมันไม่เที่ยงแบบแบบยังไงแบบไม่ได้เกื้อกูลต่อความเบื่อหน่ายในวัตตาเลยเพราะว่าการรู้ไตรลักษณ์นนะอันนี้จังทุกขังอนัตตาเนี่ยเป็นสิ่งที่สัมพันธ์กันตลอดซึ่ง ถ้าไม่ไม่รู้ปัจจัยเลยเนี่ยมันก็อ น, นิจจังแบบแก้ปัญหาอะไรไม่ได้ทักอย่างเนี่ยเก็เหมือนกับนั่งดูจุดทะลุจุดตะไลมันแตกระยิบระยิบระยิบระยิบระยิบเนี่ยเมันได้อะไรขึ้นมาอยงนั้นก็พาไปนั่งรัาอาหารเลยนะไฟก็พิพเปิดเยอะดีนะมันนั่งดูไฟกับพิพที่ร้านนะั่นแหละถามว่ามันจะมีผลอะไรไหมอย่างนั้น เบื่อหนายมากขึ้นไหมคือมัใช่อะไรเพราะว่าเวลานั่งรถกลับเนี่ยนะมันจะมีไอไ้ไฟปั๊บๆข้างๆถนนเยอะนะเออมาดูเกิดดับอย่างนี้มันจะได้ประโยชน์อะไรเนี่ยเ <c oughs> พราะในการความสัมพันธ์ในปัจจัยกับปัจจุบันเนี่ยมันเป็นตัวสําคัญแล้วก็เป็นตัวที่จะทําให้ละกิเลสได้คือรู้ปัจจัยกับปัจจุบันที่ ที่สัมพันธ์กันแต่ถ้าปัญญาระดับสูงกว่านั้นจะทิ้งปัจจัยพิจารณาเฉพาะปัจจยุ ป, ปันอันนั้นมันชั้นสูงมากแล้วมันสูงสับสนว่าเขาเกือบจะนิพพานกันอยู่แล้วแต่ไม่ใช่ว่าเบื้องต้นไม่รู้อะไรเลยก็จะไปเอาแต่จุดนั้นน่ะนั่นนะแล้วก็เครียกว่าเห็นสังขารโดยความเป็นของไม่เที่ยงแล้วน้อมไปสู่นิพพานเลยนะเออถ้าระดับนั้นเนี่ยมันไม่ได้เพ่งปัจจัยอยู่แล้วถ้าเครียกว่าถ้าสูงขนาดนั้นเนี่ยก็ไม่มีปัญหา แต่ปัญหาว่าเบื้องต้นนี่ก็ไม่ค่อยรู้อะไรอะไ่ะนะแต่ก็จะเอาแต่เบื้อระดับนั้นมาพิจรนารณาเนี่ยมันก็ไม่ไม่ใช่อยู่แล้วญญใช่คื อ, ค, อคือการการกล่าวธรรมะเนี่ยนะผู้ที่พูดหรือผู้ที่สแสดงหรือผู้ที่เรียนก็ตามเนี่ยนะต้องนึกว่าคือธรรมะเนี่ยมันจะมีมีลําดับอยู่เช่นว่าลาดับการปฏิบัติต้องเป็นไปตามวิสุธทธิเจตเนี่ยนะ ถ้าจะพูดในแง่ของลำดับการปฏิบัตินะีต้องตามวิสุทธิเจ็ดหรือตามเนี่ยปฏิสัมพิทาวางไว้นะี่ปฏิสัมพิธาวางไว้ทั้งลำดับเทศนาทั้งลำดับการปฏิบัติ ด, ด้วยเนี่ยนะลำดับการเกิดขึ้นของกุศลจะต้องเป็นอย่างนั้นด้วยคือได้ลำดับตั้งหลายอย่างทีนี้เมื่อเราพูดถึงเนี่ยก็พูดถึงธรรมะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งก็ตามต้องคิดไว้เสมอว่าเรากําลังพูดแล้วมันอยู่ในลำดับไหนเนี่ยนะ อยู่ในลำดับเทศนาก็ว่าไปตามลำดับเทศนาไปถ้าลำดับแห่งกุศลนั้นๆเกิดขึ้นก็ต้องว่าตามลำดับของสิ่งนั้นนั้นเกิดขึ้นไปใช่ไหมก็ว่าไปตามลำดับลำดับไปเมือ่อกล่าลำดับของตัวปัจจัยกับลำดับของตัวปัจจัยมันก็ต้องเป็นไปตามเธอในการพิจารณาเนี่ยน ะ, ะถ้าถ้าเรียบเรียงลำดับยานตามคัมภีร์นะก็พูดถึงว่าขั้นที่หนึ่งก็เรียกว่า เอาเอาวิปัสสนาเนี่ยนะเอาเอาหนึ่งนับหนึ่งที่วิปัสสนาคือที่ถีวิสุธทธิเนี่ยเพราะนั้นก็ต้องมองว่าอารมณ์ทุกอย่างปราบรโดยความเป็นขันเป็นอายตนะเป็นธาตุหรือย่อที่สุดเหลือเฉพาะนามกับรูปเนี่ยนะอันนี้ย่อเป็นคำคำย่อคำว่าขันอายตนะธาตนะุมาลนะ ไม่มีความเข้าใจเป็นอื่นในสิ่งนี้เลยมีแต่อย่างนี้เอาจะปรารบสิ่งใดก็ช่างเถอะเคือทั้งหมดนี่คือขันอายตนะธาตุแล้วเป็นที่ตั้งแห่งโวหารเรียกอะไร ก, ก็ตามแต่จะเรียกตั้งโวหารเรียกชื่อไปแต่ไม่ได้เข้าใจผิดบนพื้นฐานของในความเป็นขันอายตนะธาตุ เช่นคือจะบัญญัติว่าเป็นพี่เป็นผ้าเป็นน้าเป็นอาเป็นเพื่อนเป็นนรกเปรตอสุรกายเป็นพรหมเป็นอะไรก็ช่างเถอะพื้นฐานเบื้องลึกก็คือถ้าขยายออกไปแล้วก็คือขันอายตนะธาตุนั่นนะแต่ถ้าผู้ที่อย่างเอาเอ า, เอาแบบหยาบหน่อยก็คือผู้ที่เจิญอาการสามสิบสองนี่นนะอาการสามสิบสองเนี่ยเวลาคิดถึงใครจะเรียกพ่อเรียกแม่มันก็คือประชุมผมขนเล็บฟันหนังทั้งนั้นนะ อนะคือคือปกติเป็นคนที่แยกแบบนี้อยู่แล้วนะไข้ค ร, ครวรแบบนี้อย่างละเอียดอยู่แล้วนมกถึงนายแพทย์คนหนึ่งก็พูดนะเขาบอกว่ามีมีข้าราชการผู้ใหญ่คนหนึ่งนะเข้าไปแบ่งในโรงพยาบาลนะแต่ว่าไปในฐานะคนไข้นะแต่ว่าไปเบ่งในโรงพยาบาลบอกคุณจะใหญ่มาจากไหนคุณก็คือคนไข้นั่นแหละวงั้นน ะ, ะ, ะนะคุณมาซ่อมอะไร ก็ลักษณะนั้นอ่ะคือมันจะอะไรก็ช่างอ่มันจะตำแหน่งข้าสวยอะไรขึ้นมามันก็เนี่ยไตก็คือไตอ่ะตับก็คือตับอ่ะมันส่อมไตหรือส่อมตับก็ว่าไปตามนั้นไปเนี่ยนอ่าลักษณะอันนี้ก็เหมือนกันอ่ะนะจะมหาพรหมก็คือขันอ่ะเนี่ยจะนรกอเวจีก็คือก็คือขันอ่ะนะย่อมาก็คือนามกับรูปแต่ว่าโวหารก็ไม่ใช่ว่าจะทิ้งโวหารไปโดยประการทั้งปวงแต่รู้กันด้วยอำนาจทิฐิความเข้าใจจริงๆว่าคือ ขันอายตนาธาตุแต่ว่าอันนี้เราพูดถึงลําดับคือปัญญาก่อนน ะ, ะคำว่าทิฏฐิวิสุทธิตัวนี้องค์ทำเท่ากับเป็นชื่อของปัญญาเรียกว่าเป็นปัญญาศิกขาอยู่แล้วปัญญาตัวนี้เป็นปัจจัยแก่ต่อไปคือกังขาวิตรณะอันไหนอันนี้ที่สองกังขาวิตรณะวิสุทธิ คือข้ามความสงสัยในขันอายตนะธาตุในการนั้งสามือน้อมมาพิจารณาเช่นยกตัวอย่างว่าเนี่ยนะขันประกอบไปด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปนี้เป็นธรรมชาติที่อาศัยปัจจัยเนี่ยประชุมขึ้นเวทนาก็เป็นสิ่งที่ถูก อ ung, สปัจจัยเนี่ยประชุมขึ้นสัญญาก็ถูกปัจจัยประชุมขึ้นสังขารก็ถูกปัจจัยประช hm ุมขึ้นวิญญาณก็ถูกปัจจัยประชุมขึ้นอันนี้นะในหนึ่งในหนึ่งแม้ในอดีตรูปก็ถูกปัจจัยประชุมปรุงขึ้นเนี่ยนะรูปก็เกิดจากปัจจัยเวทนาก็เกิดจากปัจจัยสัญญาสังขารวิญญาณก็เกิดจากปัจจัยในอนาคตต่อไป สิ่งเหล่านี้ก็ถูกปัจจัยประชมปรุงแต่งขึ้นเนี่ยนะรูปก็ถูกจับถูกปัจจัยประชมปรุงแต่งขึ้นนะถ้าพูดแต่ว่ารูปในปัจจุบันนี้ถูกปัจจัยประชมขึ้นรูปแม้ในอดีตก็ถูกปัจจัยประชมขึ้นรูปแม้ในอนาคตต่อไปก็ถูกปัจจัยประชมขึ้นะเนี่ยนะในการพิจารณาเนี่ยถามว่าไอรูปอดีตอนาคตปัจจุบันเนี่ยก็คือในชั้นแรกก็เน้นพิจารณาภายในก่อนยังไ อชตังวานเนี่ยนะพิจารณาภายในอ่ะนะคือรูปของเราในพบที่แล้วมันก็เป็นรูปที่ถูกปัจจัยประชุมขึ้น่ะนะชาติหน้าก็ถูกรูปรูปเนี่ยจะถูกปัจปปปจัยประชุมขึ้นรูปที่ชาตินี้ก็ถูกปัจจัยประชุมขึ้นถ้ารู้อย่างนี้จะละความสงสัยในการสามไอการละความสงสัยในการสามเรียกว่ากังขาวิตรณะวิสุทธิพะะนันธ์พื้นฐานการพิจารณาว่า สังขารทั้งมวลในการสามถูกปัจจัยประชมขึ้นเนี่ยนะก็เลยไม่ได้มีความสงสัยว่ามันจะการไหนขันทั้งหลายก็ถูกปัจจัยปรุงแต่งเหมงอนกันแต่แต่ก็ไอคำว่าปัจจัยนี่ก็เป็นคํากว้างอีกองนะไม่ใช่ว่าจะแก้ปัญหาแล้วโยนไปละใส่ปัจจัยซะจะได้หมดเรื่องมรามันเกิดจากปัจจัยอ่ะนะไม่ใช่ว่าไม่รู้ปัจจัยอะไรเลยก็ไม่ใช่ใช่ไหมเพราะคําว่ารูปปัมันต้องแบ่งเป็นมหาพูดกับ ปาทายรูปเนี่ยนะนี่ไอ้ภูตรูปก็แบ่งเป็นเนี่ยยี่สิบสิบสองสี่หกเนี่ยนะก็แบ่งไปก็ว่าไปตามคุณภาพของสิ่งนั้นๆไปแล้วก็วิเคราะห์ปัจจัยตามนี้ไปประโยชน์อะไรครับที่ไม่สงสัยอันนี้มีคนสงสยัยเลยว่าไออดีตอนาคตเนี่ยไม่ได้เกิดจากปัจจัยขัว น, นี้ ถ้าเราเข้าใจปัจจุบันเราลดก็จะปัจจัยคุณแข่งนั้นเนี่ยยังมีคนสงสยัยในคำว่ า, าอดีตเข้าใจปัจจันหรือว่าตรงเกิอพอถ้าไม่น้อมไปพิจารณาแบบนี้นะถ้าไม่น้อมไปใคร่ครวญแบบนี้นะวงว่างอโยนิโสมาสิกานก็จะเกิดขึ้นสําคัญขันห่าว่าเป็นเป็นเราพออโยนิโสมาสิกานเกิดสําคัญว่าเป็นเราเข้าเออเรามีหรือเปล่าเอ้เรามันเป็นยังไง เป็นกษัตริย์เป็นพราหมณ์เป็นแพทย์เป็นสูตรหรือมันเป็นอะไรเป็นอะไรแล้วไปเป็นอะไรมันมีหรือมันไม่มีเนี่ยอ่นะคือมันจะเข้าในลักษณะอันนั้นเพราะฉะนั้นก็วิธีนี้ก็เลยขยายคือเรียกว่ามองให้เห็นภาพว่าทั้งปัจจุบันนี้ชาตินี้ถูกปัดขันทั้งหมดเนี่ยนะคือจะเรียกว่าใครจะเรียกว่าเราหรือไม่ใช่เราก็ช่างเถอะมันก็คือขันที่ประชุมกันขันอันนี้ก็ถูกปัจจัยประชุมขึ้นชาติที่แล้วมันก็เป็นสิ่งที่ถูก ปัจจัยเนียนน่ยประชมขึ้นอนาคตต่อไปก็ถูกปัจจัยประชุมขึ้นเนี่ยนะมันก็อยู่อย่างนี้แหล ะ, อะอออพออโยนิโสเกิดขึ้นไม่สําคัญว่าเป็นขันก่อนใช่ไหมมันสําคัญว่าเป็นเราเลยนะมันขึ้นด้วยเราหรือว่าอะไรก็แล้วแต่จะใช้ให้เรามันมีหรือไม่มีมใช่ไหมตอนที่เลิกฟังธรรมนะมอ่าตอนหนึ่งก็คื อ, คอสมมติว่อยู่ๆเ อ, ช า, าเาอะนะชาติหน้าเรานะชาติหน้าเรานะเช่น เราคงจะเป็นอะไรวะเนี่ยเราเป็นอะไรแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปนะเนีะมันเป็นยังไงแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปนะเนี่ยนะมันเอาแล้วกันนี้ <c oughs> คือไปมองว่าเป็นเราก่อนหรือว่าด้วยอำนาจสะตะัตยะสัญญาอัตตาสัญญาหรืออะไรก็ตามเถอะเสร็จแล้วก็มันมันก็เริ่มฟุ้งแล้วนะมันเริ่มผิดตั้งกับตั้งกับคิดเลยไม่ได้มองตามตามเป็นเหตุเป็นผลจริงๆแล้วทีนี้เมื่อมองว่าอดีตอนาคตปัจจุบันอย่างนี้เขาก็มาแบ่งแบ่งกลงกุ่มอีก อย่างที่เคยรู้กันก็คือแบ่งเป็นอดีตเหตุปัจจุบันผลแล้วก็ปัจจุบันเหตุอีกเพื่ออนาคตผลฉนันชีวิตในหนึ่งขณะเนี่ยต้องมาคูณอันนี้ด้วยมันมีการเชื่อมโยงกันตลอดเลยเ น, นี่ยเนเช่นอ น, นะอย่างชั่วโมงอว่ายาบหน่อยชั่วมโมงนี้ อาศัยอดีตเหตุเป็นตัดใจให้ทำให้ชุ่มรูปรูปนามในชั่วโมงนี้เกิดขึ้นแล้วมาทําเหตุใหม่เลยใช่ไหมในชั่วโมงนี้ก็คือการทําเหตุใหม่อีกหนึ่งชั่วโมงเพื่อให้มีผลต่อไปในอนาคตแล้วชั่วโมงก่อนนะมันก็แบบฟอร์มเดียวกันปีก่อนมันก็จะแบบฟอร์มเดียวกันดังนั้นมันจะว่าเหมือนกันโดยส่วนเดียวก็ไม่ใช่ จะต่างกันโดยสิ้นเชิงก็ไม่ใช่เพราะว่ามันมันเหมือนกับว่ามันยังไงจะว่าเป็นเอกตะก็ไม่ใช่จะว่านานัตตะก็ไม่ใช่แต่ว่ามันสัมพันธ์กันอย่างเป็นเหตุเป็นผลเนี่ยนะก็ถ้าผู้ที่ไม่สดับเลยนี่ก็เรียบร้อยใช่ไหมครับทั้งสามการเลยตลอดเวลาด้วยก็โดยทั่วๆไปมันก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นพ อ, องษ์ตรัสนะยังชอบสูตรหนึ่งแค่กระโรแค่สูตรดูกรที่สูตรทั้งหลายผู้ที่ไม่ปฏิญาณว่าเป็นโรคกายนะตลอดหนึ่งปีสองปีสามปีหรือสิบปีรนะ้อปีเนี่ยยังพอหาได้แต่ว่าผู้ที่ปฏิญาณว่าไม่มีโรคทางใจนะแม้ช่วครู่หนึ่งก็บอกว่าเว้นผ้าหันอาหารหาได้ยากเนี่ยนะมันก็ไม่ป่วยโรคหนึ่งมันก็ไปเข้าอีโรคนึงไม่อีกเรื่องหนึ่งมันก็ไปเข้าอีกเรื่องหนึ่งจนได้แล้วแตผู้ที่ไค้ครวญแบบนี้เนี่ยนะหนึ่ง เขาจะแบ่งชีวิตเช่นโดยอำนาจของสันตติก่อนนะอันนี้พื้นฐานเขารู้เรื่องสันตติดีอยู่แล้วถ้าใช้คําว่าอดีตอนาคตปัจจุบันเนี่ยนะโดยสันตติอย่างหนึ่งหรือโดยอัฐานี่อย่างหนึ่งหรือโดยสมัยเนี่ยอย่างหนึ่งหรือโดยขณะเนี่ยอย่างหนึ่งทีนี้ถ้าเอาไอ้สันตติรูปมางดว่าอ า, อาหารอาหารหนึ่งมือใช่ไหม อาหารหนึ่งมื้อเนี่ยสมมุติว่ า, อ, า Rosie, อิ่มอิ่มกี่ชั่วโมงดีสักสี่ชั่วโมงเลยี่ชั่วโมงหนึ่งอิ่มเนี่ยนะชั่วโมงต่อไปมันก็มาเติมอีกอันหนึ่งนะสี่ชั่วโมงอีกก็มาเติมอีก4ชั่วโมงก็มาเติมอีกทีนี้อาหารบอกว่าสชั่วโมงนี้ก็อาศัยปัใจจัยใช่ไหมอาศัยอาหารอี ก, อกชุดหนึ่งมื้อต่อไปก็อาศัยอาหารอีกอีกชุดหนึ่งนี่ถามว่ามันจะอันเดียวกันหมดมันก็ไม่ใช่จะว่าต่างกันโดย สิ้นเชิงก็ไม่ใช่แต่ว่ามาเลี้ยงกายอันเนี้ยที่ที่สัมพันธ์กันเป็นไปเนี่ยนะทีนี้อุตูชรูปจิตแต่ชรูปก็ว่ากันไปทีนี้แต่ที่พิจารณาในแง่เหตุผลก็คือนะปัจจุบันเหตุอนาคตผลก็คือเน้นที่อะไรกรรมชรูปใช่ไหมก็ก็พิจารณาเนี้ให้ให้ชัดเจนจนไม่ได้มีความเข้าใจผิดในในในในสมัยเนี่ยนะในในทั้งโดยอัตตาโดยสันตติโดย สมัยตลอดจนถึงโดยขณะเนี่ยตามสุตตะเป็นต้นเนี่ยไม่ได้เข้าใจผิดเลยมีข้อความในปฏิสามพิทากล่าวว่าการกำหนดปัจจัยของสาวกนี่อาศัยสุตตะเนี่ยนะก็พิจารณาไปตามสุตตะนั่นเองอทีนี้ผู้ที่มีความเข้าใจอย่างนี้ดีนะก็เรียกว่าตัวที่ต่อลงมาจากกาังขาวิตรณาวิสุธทธิเนี่ยนะมีอยู่สองคือ สัมมาสนาไอ้สัมมาสนะนี่แหละที่ว่าเช่นรูปในอดีตเนี่ยนะก็ไม่เที่ยงเพราะมันหมดไปในอดีตรูปอนาคตก็หมดไปในอนาคตรูปในปัจจุบันพบนี้ก็หมดในปัจจุบันพบนี่แหละก็ไล่มาเรื่อยๆตามนก็ตามรูปสัตกะรูปสัตกะเป็นต้นทีนี้ผู้ที่รอบรู้อย่างนี้เขาก็จะมาพิจารณาถึงไอ้ความเกิดกับ ความดับเนี่ยนะเหตุเกิดความดับอะ่ะก็อุปมาอย่างนี้ก่อนว่าเหมือนอย่างว่าเสียงพิน <arose> เสียงพินที่มันดังขึ้นมาเนี่ยนะก่อนที่จะมีเสียงดังขึ้นมาเสียงมันเก็บไว้ที่ไหนมีที่เก็บไหมเก็บเสียงมีกล่องที่เก็บก่อนหรือว่าถ้าเสียงมันเกิดอ่ามันดังแล้วมันหายไปแล้วมันไปเก็บอยู่ตรงไหนมีตำแหน่งที่มันเก็บเสียง ไม่มีฉันใดเทนนี่สมมติว่าอันนี้เสียงพินขึ้นมาเสียงพินที่ประกอบนะหนึ่งตัวพินก่อนใช่ไหมอะไรอีกส า, สายพินต่อไป อ, อะไรคุณมนมีคนดีต่อนดีนะนะมีสามนะหนึ่งตัวพินสองสายพินสามขน ด, ดีหรื อ, อเรียกว่าความพยายามอันเกิดแต่บุรุษเ้าเป็นอาจารย์สอนดนตรีเด็ก มันถามเรื่องนี้ได้ทีนี้เมื่อได้องค์ประกอบสามนี้ใช่หเสียงก็ดังขึ้นพอดังไปมันมีที่เก็บไหมมันก็หายไปเลยพอได้ประจัยอีกมันก็ดังอีกพอหมดประจัยมันก็เสียงอันนี้ก็ดับเจอั้นเสียงแต่ละขนาที่มันดังขึ้นนี่อาศัยองค์ประกอบคือปัจจัยน้สันใดขันทั้งหลายก็เป็นนัยยะเดียวกันเนี่ยนะ ก่อนที่จะมาเกิดเนี่ยมันมีเก็บไว้ตรงไหนไหมแต่อย่างตั้งแต่จิตเห็นของเราเนี่เก็บไว้ตรงไหนก่อนไหมที่จะมาเห็นเนี่ยไม่มีอาศัยปัจจัยประชมกันขึ้นมันก็เห็นพอหมดปัจจัยอะนะอาการเห็นมันก็หมดไปแล้วก็หมดไปมันก็ไม่ได้มีว่ามันหายไปนที่ไหนอีกเหมือนกันเพราะเป็นสิ่งที่อาศัยปัจจัยเนี่ยประชมกันขึ้นเนี่ยนะก็ผู้ที่พิจารณานี้ก็มองว่าถ้า ตัวพินเสียงพินเนี่ยอุปมาเหมือนกับขันห้าเนี่ยนะอันนี้คือปัจจัยปัจจัยแห่งขันห้าเพราะนั้นไอ้คำว่าความเกิดก็บอกว่าถ้าเสียงเกิดนี่เพราะว่าองค์ประกอบเหล่านี้เกิดใช่ไหมเสียงจึงเกิดขึ้นขันที่เกิดขึ้นก็ฉันนั้นเหมือนกันเพราะวิชาเกิดตันหาเกิดกรรมเกิดอาหารเกิดอะขันทั้งหลายจึงจึงเกิดขึ้นทั้งหมดปัจจัยเหล่านั้นขันอันนั้นก็ก็ดับ แต่ก่อนจะมาเกิดเนี่ยนะมีมีเก็บไว้ตรงไหนเมืก่อนไหมหไม่มีแล้วเวลาตายไปแล้วมันหายไปที่ไหนมันก็ไม่มีที่หายเพราะมันก็อาศัยปัจจัยเนี่ยก็เกิดขึ้นเป็นลักษณะนั้นคือในทางวิทยาศาสตร์เขาว่าเสียงในเดินทางเป็นคลื่นเหมือนเราเอากระิว<พ>้างแล้วเลยมันคลื่นเข้าพอแล้วพอและหมดหมดคอตาแล้วคอตาจำกัด ไอ้ความเกิดน no no mm hmm. ja ี่เริ่มหมายถึงอุทยะเนี type, ่ยนะกับพยะก็คือพยะก็วแหวนเป็นพอพานเนี่ยนะก็พญาหนึ่งมันก็รู้ความเกิดกับความดับนั้นด้วไอ้ความเกิดความดับนี่เขาจะมองชุดปัจจัยกับชุดปัจจัยโยบันมองสองส่วน อนะมองปัจจัยกับปัจจัยบันปัจจยุบันที่เกิดจะเกิดตามสมควรแก่ปัจจัยทีนี้ไอ้ปัจจยุบันเนี่ยนะมันก็คือปัจจยุบันที่เหมือนกับว่าซ้อนๆซ้อนๆกันอยู่อย่างนี้ใช่ไหมไม่ใช่มีความเป็นปัจจยุบันอันเดียวแช่อยู่ตลอดนะก็ไม่ใช่ปัจจัยก็มาจากปัจจัยที่สมควรนะนะเช่นอันนี้ชุดที่หนึ่งสอง ฉันจะว่าเหมือนกันตลอดไปหมดมันก็ไม่ใช่จะว่าต่างกันโดยสิ้นเชิงก็ไม่ใช่ฉั้นปัจจัยกับปัจจุบันเนี่ยสัมพันธ์กันในลักษณะนี้นะถ้าปัจจัยเกิดปัจจัยบันก็ก็เกิดขึ้นถ้าดับปัจจัยปัจจัยบันก็ก็ดับนั้นคําสอนในในระดับสูงเช่นปฏิจจสมุปบาทเนี่ยจะฟังเลยว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้มีเพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยอนะ ถ้าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีถ้าสิ่งนี้ดับสิ่งนี้ก็ดับด้วยประการดังนี้แล้ววิชาเป็นปัจจัยจึงเป็นจึงเกิดสังขารขึ้นเนี่ยนะก็ก็จะมองทั้งปัจจัยและปัจจยุบันซึ่งสัมพันธ์กันอย่างเป็นเหตุเป็นผลกันลักษณะนี้ผู้ที่พิจารณาอย่างเนี้อันนี้เป็นอุทย พ, พยะซึ่งยังไม่ได้เข้าวิสุธทธิอันสูงต่อไปวิสุธทธิที่สูงต่อไปคือ มคามาัคายานทะัศนะเนี่ยนะก็คือมาจากมัคคะบวกอะ ม, ม, มัคคะมัคค่าแปลว่าทางใช่ไหนะมอะมัคคะก็แปลว่าไม่ใช่ทาง